ทำไปแล้วสามสี่นาทีง่วงแล้วฟุ้งซ่านง่วงเหงาชั่วโมงนี้ไม่ไหวหลับไปเลยแสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้กับเราไหมไม่ได้เพราะกำลังเราไม่ให้เราออกจากพูดโทรไปหนอดีกว่าเนาะออาไปหนอเดินเท้าย่างหนอเอามาเคยไปเดินไหลเป็นหลเป็ดไหลเป็นเดือนเป็นปีเลยนะเดินเอ๊ได้ลมดีเไปนั่งหายใจเข้าท้องพองก่ฟอล ให้ใจเข้าห้องพองเป็น Rising ให้ใจออกเป็น Falling and Rising ยอมยุหน้อยพองน้อยยุบนอปพองนอนั่งไป3ชั่วโมง5ชั่วโมงเพราะกนั่งนิ่งนิ่งดิ่งดับได้อารมณ์อย่างดีเลยเออวิธีนี้เกตสําหรับเราใช่ไหมก็นั่งต่อไปเลยนะแต่พอมาคนเดียวกันเนี่ยพอนั่งสั้งจังหวะสักพักหนึ่งฟุ้งซ่านโอ้ไม่เอาไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเอาเอานะทดลองใหม่ดังนั้นวิธีการต่างๆก็เหมือนครัวแต่ละแห่งละแห่งละแห่ง นะแล้วแต่ว่าไม่ใช่วิธีการเขาไม่ดีนะแต่ว่า EC ของเรามันถูกไหมมันกําลัง EC ของเรารับได้ไหมแต่การที่จะบอกว่าวิธีนี้เหมาะกับอินของตนหรือไม่อย่างน้อยต้องทดสอบสักสครั้งขึ้นไปครั้งหนึ่งยังไม่แน่ใช่ไหมสอครั้ง3ครั้ง4ครั้งจนกระทั่งแน่ใจว่าทําทุกครั้งเนี่ยมันง่วงทุกทีแสดงว่าไปไม่ไหวแล้วใช่ไหมแต่เขาบอกว่ายัางงี้นะถ้าทําแล้วมันง่วงนี่แสดงว่ามันได้อารมณ์กรรมฐานแล้ว ถ้าทำกรรมาฐานไม่ง่วงแสดงว่าไม่มีอารมณ์กรรมาฐานเลยมันจะต้องมาพิสูจน์ก่อนอันดับแรก ง, ง่วงนั่นแสดงว่าเออมันมีทรายว่าอย่าได้แล้วต้องทําต่อไปนะแต่ง่วงแล้วต้องแก้ตกอันนั้นหมายความว่าถูกต้องง่วงแล้วแก้ไม่ตกอตมาไปนั่งอนาปานสติกับหลวงพ่อคุทดธาที่สวนโมกไปมาไปมาอยู่สามปีแค่ไม่ตกเลยแก้ไม่ตกก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อ ผมนั่งเมื่อไหร่ผมก็ลับดิ่งๆดับไปเลยนะผมก็หลับไปเลยหลับอย่างเชื่อที่ชำนาญตื่นมาผมก็สดชื่นแต่พระที่ไม่รู้ผมหลับอย่างชนานาญเพผมไม่งงเลยนะนั่งนิ่งเลยก็หาว่าผมค่อยชาดได้อะที่ไหนได้เราหลับไปตั้งนานแล้วนะท่านก็บอกว่านี่ท่านไปดูนะอาณาปณะสติสิบหขัน้นผมอธิบายไม่หมดวิธีแก้เนี่ยง่วงแก้อย่างไรไอตอนนั้นันหมดอารมณ์แล้วนะหมดอารมณ์ที่ยงง่วงแล้วใครไปตามดูอี ไปเจอท่านเมื่อไหร่ท่านก็จะบอกเอาไปดูนะพระนา่าจะสติสิบขั้นว่าในเรื่องแก่นิวรณ์ท่านว่ามั่หมดแล้วเราอะเอแต่เราก็ไม่เคยไปอ่านนะเพราะมันหมดอารมณ์ที่จะไปอ่านแล้วตอนนั้นนะมันหายง่วงแล้วอะ่ะก็ไปอ่านมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะนั้นในที่สุดก็เมื่อปรับไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ดังนั้นการณยานมิตรจะเสนอให้เราหลายๆวิธีแต่ละสำนักมันจะเหมาะอันไหนจะเหมาะกับเรา ก็ทดลองไปแต่มาไปหน้อมาก็ทําพุทโธก็ทําอนาปนสติแบบพระพุทธธรรมเไปไม่ได้อ่ะบางทีนะสงบไม่นิวรณ์ไม่เกิดก็จริงแต่ว่าไอ้ทาไมมณอัตาของเรามันแรงขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ใช่หงุดหงิดง่ายขนาดนี้นะแต่เดี๋ยวนี้มันทำไมหงุดหงิดง่ายเออเวลาใครพูดอะไรไม่ถูกหูถูกใจที่เถียงหงุดหลิดเลยไอ้เมื่อก่อนฉันไม่เป็นอย่างนี้นะทําไมมันเป็นอย่างงี้นั่นก็แสดงว่ามันเกิดมีอะไรผิดปกติแล้วอทําให้เรา ว่าไม่ใช่ทางของเราเราก็เปลี่ยนมาพราอมันใช้วิธีการเคลื่อนไหวสัญญาณแรกที่สุดคือฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ตั้งใจทำก็เห็นความฟุ้งซ่านมันดับไปต่อหน้าต่อตาเวลาง่วงบ้างเวลาง่วงเราก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเดินไวเดินช้าเดินก้าวหน้าถอยหลังทำโน่นทำนี่เอาหายไปทุกครั้งในวิธีการองวุฒิยนที่มารับได้เพราะทุกครั้งเมื่อมีปัญหาบริษ มันแก้ได้นะโดยที่ไม่ต้องไปถามอาจารย์มันแก้ได้ด้วยตัวเองก็ทำมัน อ, อ๋ออันนี้เรารู้วิธีแก้แต่ถ้าเราไปนั่งหลับโดยวิธีอนาปณะระดับต่างๆเนี่ยพอมันเข้าสู่ความสงบลึกมันก็ไปติดใส่ความสงบติดใส่ฌานเราก็เสพไปเลยเข้าไปเลยไม่ไม่แก้พอไปติดใส่ดิวรเราก็แก้ไม่ตกเราก็เลิกเท่านั้นเองมันก็ทิ้ง พอหมายควาาราสุกเราก็เสกถ้าหากว่ามันทุกเราก็ไม่เอามันก็จะไปอย่างนี้ตลอดแต่พอในวิธีการท้องเพียนสุขเราก็ไม่เสกแกเอาสุไปทุกเราก็ไม่หนีสู้เอาแปรมาวิธีนี้มะสําหรับเราก็เลยทำวิธีนี้ต่อมานี้คือประโยชน์ของไกรมิตรทำให้เราเกิดปัญญายคิประการสามประการคือหนึ่งได้ยินได้ฟังสองเข้าใจได้สเอาไปทำถูกกับ กำลังอินทรีย์ของเร า, าภาวนามนยาปัญญาเกิดได้ใช่ไหมก็เกิดชอบเกิดชอบอยากที่ทำอันนั้นวิชาตัวที่สองคือเกิดศรัทธานั่นจะเห็นได้ว่าตัวศรัทธาในพุทธศาสนาจะขึ้นต้องอาศัยอะไรก่อนอาศัยปัญญาก่อนใช่ไหมแต่ต้องเป็นปัญญาสามประการนี้นะหนึ่งได้ยินได้ฟังสองเข้าใจได้สเอาไปทาได้อันนี้คือศรัทธาในพุทธศาสนาต้อง กเรียานามิตรอาศัยกเรียานามิตรและอาศัยตัวปัญญาจึงเกิดศรัทธาแต่ศรัทธาที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เรามีนั้นผ่านสองอย่างนี้ไหมส่วนใหญ่ไม่ผ่านบางที่ผ่านอันที่หนึ่งคือพบปริยญญานิมิตชักชวนให้เชื่อเหมือนกันนะแต่เราเกิดปัญญาเองแค่สาระดับนี้ไหมไม่เกิดเพราะฉะนั้นศรัทธาที่จะเป็นพูทแท้จึงไม่เกิดเอาละก็เกิดศรัทธาความรักอยากเกิธรรมซึ่งความรักเราว่าเป็นเมื่อวานล้วว่ารักก่อที่จะถูกต้องคนไปยังไง ว่าความรักนี้ต้องหนึ่งเรารักผู้อื่นสัตว์อื่นคนอื่นรักลูกรักเต่ารักพ่อรักแม่รักผัวรักเมียรักทรัพย์สมบัติพวกนี้เป็นความรักที่แท้จริงไหมไม่แท้จริงแต่พระพุทธเจ้าบอกให้รัก4ี่ประการหนึ่งรักการกระทําของตัวเองถ้าเรารักการกระทําตัวเองเราจะรักที่จะทําดีหรือทําชั่วทําดีใช่ไหมแต่ทําไมมันกลายเป็นชั่วได้ส่วนใหญ่ เพราะรักผิดที่นะไม่ได้รักที่ตัวเองรักที่ข้างนอกมันจึงทําให้ความรักนั้นทําให้เกิดการผิดหวังแต่ถ้ารักตัวเองนี่ผิดหวังไหมรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวเองเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันต่างกันรักแบบเห็นแก่ตัวคือรักเพื่อด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงแต่รักด้วยปัญญาเมื่อกี้เราบอกว่ารักด้วยปัญญาใช่ไหมสามตนรักด้วยปัญญาคือรักตัวเองในทางที่ถูกรักตัวเองที่ไม่อยากจะให้ ตัวเองทุกข์ไม่อยากตัวเองลําบากไม่อยากตัวเองเกิดความาวิตกกังวลไม่อยากตัวเองเกิดความเศร้าหมองไม่อยากตัวเองเกิดความกินแนงแคลงใจไม่อยากตัวเองเดือดร้อนไม่อยากตัวเองทําผิดทําชั่วเนี่ยนี่คือเรืร่องวาระตัวเองแบบนี้เรียกวาด้วยปัญญาแต่ทําไมาความรักที่เกิดมีปัญหาอหากหักรักตายกันเพราะว่าไม่ได้ประกอบด้วยปัญญา แต่พระก็บอกด้วยปัญญาแล้วความรักจะออกมาลักษณะนี้กลัวเองที่จะเป็นทุกข์กัวเองจะลําบากตัวเองจะเศร้าหมองตัวเองจะถูกว่าดิกล่าวนิทากลัวเองจะผิดศีลกลัวตัวเองจะโลกตัวเองจะโกรธกลัวตัวเองจะหลงลักษณะนี้เป็นความรักที่ถูกต้องหรือว่ากรรมวัฏฐารักกันกระทําตัวเองอันที่สองถ้าเรารักสิ่งภายนอกกับรักตัวเองเนี่ยมีผลต่างกันไหมรักสิ่งภายนอกอย่างที่กล่าวว่ามันมีกี้ผลออกมาก็คือเมื่อสิ่งข้างนอกดีกับเราเราก็เป็นไงดีด้วยใช่ไหม ถ้าสิ่งภยายนอกที่เรารักไม่ดีด้วยกับเราเป็นไงเราก็ไม่ดีด้วย <laughs> ชั่วเกิดขึ้นทันทีใช่ไหมรักก็กลายเป็นชั่งได้ทันทีเหมือนกันแต่ถ้ารักกลับมารักตัวเองถ้าผลเกิดขึ้นตัวเองไม่ดีเนี่ยเรารู้สึกเป็นไงว่าเออไม่ถูกละเป็นทุกข์ใช่ไหมเออฉันจะไม่ทําอีกอผลออกมันไม่ดีพูดไปแล้วทําให้เขา ดูถูกเยยนยามทาไปแล้วทำให้เขาดูมินนินทาคิดไปแล้วทำให้เข า, านินทาว่าร้ายเอาไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำเพราะเห็นผลด้วยตัวเองเออทำอย่างนี้ไม่ดีนะแล้วก็มาปรับที่ตัวเองถ้าเราแสดงอะไรออกไปแล้วผลสะท้อนกลับมาไม่ดีเราจะไปปรับสิ่งข้างนอกเนี่ยเป็นการความรักที่ถูกไหมไม่ถูกต้องมาปรับที่ตัวเราเองการที่กลับมาปรับที่ตัวเราเองเรียกว่าเรามีกรรมวิปากศราที่ดีแล้ว ถ้ากลับมาปรับตัวเองแต่คนส่วนใหญ่เวลาอะไรเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีกับตัวเองเนี่ยเรามักจะไปปรับข้างนอกปรับเท่าไรเท่าไหร่มันตัวเองดีขึ้นไหมปรับเท่าไรก็แย่ลงเนี่ยตัวเองเขาบอกตัวเองขี้บ่นอย่างโง่นอย่างนี้อ่ะมันเช็คตัวเราดูว่าบ่นจริงหรือเปล่าถ้าบ่นจริงเราก็ไปไงแก้ไขตัวเองซะถ้าไม่จริงเราก็เออขอให้พรเราแค่นั้นดีใช่ไหมไม่ต้องไปต่อร้อนต่อเทียงกันดิ นั่นรักตัวเองประการที่สองคือรักว่าได้เห็นผลบุญผลบาปผลดีผลชั่วเกิดขึ้นตัวเองแล้วแก้ไขที่ตัวเองนั้นเรียกว่ารักผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันไม่อยากจะไม่มีใครอยากจะให้ผลผิดอย่าผลทุกผลบาปให้เกิดขึ้นกับตัวเองหรอกให้อยากจะให้ผลดีผลสุขผลสบายทั้งนั้นรักประการที่สองเรียกว่ากรรมวิปลาภะย์ประการที่สรกรรมสกทาสักท า, กาเรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทําทั้งหลายทั้งปวงผล ที่เกิดออกมาเนี่ยมันจะต้องตกกระหายในที่สุดตกกับตัวเราเองใช่ไหมอ่าเราต้องได้รับก่อนเมื่อเราว่าเราได้รับก่อนเนี่ยเราต้องการได้รับสิ่งที่ถูกที่ผิดที่ดีหรือที่ชั่วที่สบายหรือไม่สบายเราก็รู้แก่ใจตัวเองใช่ไหมเมื่อเราต้องการสิ่งที่อ่าดีเป็นของตัวเองต้องการสิ่งที่สุขเป็นของตัวเองต้องการสิ่งที่อ่าสบายเป็นของตัวเองเราก็เลือกที่จะ เป็นเจ้าของของกรรมในทางดีเท่านั้นเลือกกรรมสกตตาสถารักประการที่สรักผลที่มันเกิดขึ้นว่าเป็นผลที่ต้องการในส่วนที่เลือกแล้วเท่านั้นประก 4, ะารที่สี่ตถาคตะโพธิสัตธาเรารักความรู้จากผู้ที่พิสูจน์มาแล้วเห็นมาแล้วเป็นจริงมาแล้วเท่านั้นแต่ว่าความจริงที่กำลังคาดเสน่ความจริงที่กำลัง พิสูจน์ที่ยังไม่ออกมาออกก้อยมาว่าใช่หรือไม่ใช่เรายังเชื่อไม่ได้แต่ความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่ท่านจรัสรุมาเป็นความรู้ที่พิสูจน์มาหลายหมื่นหลายแสนชาติแล้ ว, วกว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาไม่มีอะไรผิดถูกทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเชื่อการตรัสรู้และความจริงที่พิสูจน์แล้ว แต่ส่วนที่ยังไม่ได้พิสูจน์ยังไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรเราก็ฟังไว้ไม่จําเป็นต้องปฏิเสธแต่ฟังไว้แต่สิ่งที่เราเชื่อและต้องพิสูจน์ก็คือความรู้ของพุทธเจ้ารักในความรู้ของพุทธเจ้าเรียกว่าตถาคตาโพธิสัตวานี่เราจะเกิด ส, สัตยทายสประการนี้เป็นวิชาที่สามเมื่อเราเกิดสัตยทายสีประการนี้อะไรตามมาเราก็จะเกิดการได้คิดได้คิดว่าโอ้ทำไม เมื่อก่อนเราไม่เป็นะ อ, อย่างนี้นะเราเชื่ออีกแบบหนึง่งได้ผล อ, อีกแบบหนึง่งเราทําดีไม่ได้ดีทําดีก็ได้อีกแบบห น, นึ่งแต่นี่หลังจากกลับมาศึกษาด้วยวิธีทําดีมันก็ได้ดีจริงๆริงทำชั่วททก็ได้ชั่วทําสุขก็ได้สุขทําทุกข์ก็ได้ทุกข์จริงๆก็เลยได้สถาแบบนั้นก็ได้คิดอเอต่อไปเราจะไม่ทําในสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วที่มันไม่ดีแล้วได้สติสมิญะได้คิดว่าเมื่อทุกวันนี้เราต้องทํามาหาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมีย ไปตลอดชีวิตเนี่ยเอ๊ะทำไมมันทุกอย่างเนี่ยถ้าไปถึงวัยสุดท้ายเราก็ต้องแก่ต้องตายอยู่กับผัวกับเมียกับลูกกับหลานกับสมบัติแต่คนามจงชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเกิดมาไม่ร้อยไม่ถึงร้อยปีชีวิตทั้งชีวิตเราจะมาจมอยู่กับของแค่นี้เหรอเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียมีสมบัติแล้วก็ตายไปแค่นี้แต่ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเราจะทุ่มเทให้กับสิ่งนี้เท่านั้นหรือพอไหมกับชีวิตอันแสนวิเศษเนี่ย กับการเกิดมามีทุกข์แล้วก็มีค่าอันแสนแพงเนี่ยเราจะอุทิศให้แก่ลูกแก่ปู่แก่เมียแก่พ่อแก่แม่เท่านั้นหรือมีความดีอะไรที่ดีไปมากกว่านี้เนะี่ยมีไหมมีแล้วทาไมายังเราไม่ได้ละ่ะใช่ไหมเราเริ่มคิดใหม่แล้วตรงนี้คือได้สติแทนที่จะจมอยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านแล้วเริ่มเดินออกจากบ้านแล้วไปไหนไปวัด <laughs> ไปหาความรู้ใหม่ว่างนะทนที่จะมาจมอยู่แลครอบครัวเริ่มออกจากบ้านเริ่มไปวัดไปถามหาหลวงพอ่อหลวงพี่หลวงปู่หลวงตาที่เขาลือว่าท่านเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้บรรลุธรรมเป็นผู้เห็นธรรมมีไหนบ้างเนะี่าไปเจอกรัรตรที่ดีที่ถูกก็โอเคโชคดีไปใช่ไห ม, มไปเจอกัรณีที่ไม่ดีไม่ถูกก็เป็นไงก็ถุกไปไงจะไม่ว่าถูกตมถูกตุนไม่ได้นะเราไปหาเขาเองนะะเราไปเองแนละ้วเราเชื่อเขาเองนะะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหากระหมิตรที่ดีถ้าหากว่าเราพิจารณาเรามีปัญญาแล้วจะเกิดปัญญาแล้วก็เกิดการสอบถามเกิดการพูดคุยเพราะฉนั้นเราจะพิสูจน์ว่พระวัด น, นี้จริงไม่จริงอาจารย์วัด น, นั้นใช่ไม่ใช่คูบา อ, อูนั้นใช่ไม่ใช่ของจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าให้พิสูจน์หลักสองประการคุณจะเชื่อใครฟังใครหรือไม่เชื่อใครไม่ฟังใครพุทธเจ้าฝากหลักไว้สองประการ เสียดายเนะ้นไม่มีโปรเจคตตื่นเนาะไม่มีกระดานได้เขียนให้ตัวใหญ่ๆเลยนะหนึ่งต้องมีศีลสามัญญาตาแต่ว่าอะไรยุ่งจบศีลสามัญญาตาแปลว่าได้อยู่ร่วมได้กินร่วมได้อยู่ใกล้ได้เข้าใกล้เพราะคนเราเนี่ยถ้าเป็นจริงหรือไม่จริงแล้วอยู่ร่วมกัน5วันเจ็วันเนดะือนสองเดือนเรารู้ละใช่ไหมว่าคนนี้เป็นยังไงแต่ ถ, ถ้าเราไม่งงงายเกินไปนะอ่าเราก็รู้แปลว่า คนเราเนี่ยจะเชื่อกันนับถือกันต้องให้เห็นกันทุกส่วนพฤติกรรมไปไงข้างหน้าไปไงข้างหลังเป็นไงคางพูดไปไงใช่ไหมต้องเห็นอ่าเชื่อถือได้ไหมลักษณะนี้ต้องอยู่ร่วมกินร่วมไปร่วมมาร่วมคบหาสมาคมสักระยะหนึ่งแล้วเราจะรู้ถึงท่าแท้ของเขาลักษณะนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าศีละสมญตาสองในขณะอยู่ร่วมกินร่วมพักอาศัยอยู่ด้วยเนี่ยมีการพูดคุยกันไหม มีการพูดคุยสนทนากันถามปัญหากันเนี่ยมันเป็นการวัดถึงอะไรหลักนี้ท่านใช้คําว่าทิฏฐิสามัญญาตาคือได้รู้ระดับตื้นลึกหนาบางของสติปัญญากันแล้กันว่าคนนี้ลึกแค่ไหนภูมิทําแค่ไหนภูมิปัญญาแค่ไหนจะมีการแลกเปลี่ยนสนทนากันแล้วเราจะรู้ว่าคนนี้จะช่วยเราได้หรือเปล่าคนนี้จะแก้ปัญหาเราได้หรือเปล่าตรงนี้เรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตานี่คือความรอ บ, อบครอบครูนิย่าถ้าเรามีหลักสองประการเนี่ยเราจะถูกหลอกไหม ถ้าหลักสอประการนี้มีแล้วยังถูกหลอกอีกถือว่าวิบากของคุณก็แล้วกันยังถูกต้ม อ, อีกเนี่ยถือว่าเป็นวิบากรรมวุคุณสร้างมาไม่ดีก็แล้วกันนะ เ, ออเราเลือกแล้วอนียังเลือกผิดอีกฟังแล้วยังไม่เข้าใจอีกเขาก็เราก็ฟังไม่ออกเขาพูดถูกเืาพูดผิดถูกใช่ไหม อันนี้ก็วิบากกรรมของเราไปโทษเขาก็แล้วกันเขาก็ไม่เขามีอาชีพอย่างนั้นเขามีหน้าที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักของพระพุทธเจ้าว่าเราจะเชื่อใครไม่เชื่อใจเป็นกริมิตรหรือไม่เนี่ยหลักสองการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะมาไม่ได้บัญญัติขึ้นเองนะหลักสี่และสัมั ญ, ญาตากับหลักทิฏฐิสามัญญาตานะมเมื่อเป็นอย่างนี้เราได้ศรัทธาได้สติสมัมปชญญะเป็นวิชาที่สจากนั้นเมื่อได้เข้าใกล้ได้การยานิมิตได้สัมผัสก็เกิดการใคร้ครวนในสิ่งที่เราได้สัมผัส ให้พิจารณาจะเมื่อก่อนนี้เขาเรียกทำอะไรลงชงชางไปตามเรื่องตามใจของตัวเองหลังจากที่ได้คิดได้ศรัทธาได้พบป ร, ริมิตอย่างนี้แล้วมันก็เกิดการไขครวนพิจารณาหลักที่สี่นี้เขาเรียกโดยหลักที่หนึ่งปริมิตหลักที่ 2, สองศรัทธาหลักที่ 3, สามสติสัญญาหลักที่สี่ก็คือโยนิโสมานสิการนั้นทั้งสองตัวเนี้ยโยนิโสมานสิการซึ่งแปลว่าอะไรนะไขครควญ พิจารณาสอบสวนตรวจสอบใช่ไหมในสิ่งที่เราทํเนี่ยเคยตรวจสอบการทําของตัวเองหัหยที่เราพูดไปเคยตรวจสอบไม่ว่าใช่หรือไม่ใช่ที่เราคิดไปเคยตรวจสอบมันไ้ยว่าถูกหรือไม่ถูกเคยไหมถ้าเคยแสดงว่ามีผ่าน3ประการนี้มาแล้วผ่านกริริยนิมิตมาแล้วผ่านาการได้ยินได้ฟังผ่า น, านภาวนา ม, มาบ้างแล้วผ่านกัน มีสัทธาที่ถูกต้องผ่านมีสติสัมญาชีถูกต้องก็จะพูดแต่ละคําจะทําแต่ละอย่างมีการพิจารณาตัวเองนี่เขาเรียกโยนิสูมนสิการถ้าคนเรามีการตรวจสอบพิจารณาการกระทําของตัวเองก่อนเนี่ยการพูดการกระทําส่วนใหญ่จะถูกหรือผิดจะถูกต้องละใช่ไหมถูกต้องไปส่วนใหญ่หลักการที่นี้โยนิสูมนสิการนี้จึงทําให้เราเกิดการระมัดระวัง ระมัดระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอินทรีย์สังวรวิชาที่ห้าเกิดการระวังขึ้นมาเมื่อก่อนไม่ค่อยรมัระวังใช่ไอะไรเกิดขึ้นก็ว่ากันไปตามฟังหูขวาก็ไปไงทะลุ มือซ้ายดูตาขวก็ทะลุตาซ้ายเลยไม่มีเข้าไปถึงใจสักทีนะมันทะลุออกไปเลยมันไปผ่านเข้ามาที่ใจก็ผ่านเข้าไปใ จ, ม, ใจมีการไข้ควรพิจารณาระวังสังวรสำรวมเรียกว่า <Yeah. S 1> เกิดวิชาที่5เรียกว่าสำรวมอีซีระมัดระวังเมื่อการสำรวมอีซีระมัดระวังแล้ว EC, อีซีอายัดธนาทั้ง6นี้มันจะมีการกัดดำหรือการแสดงออกมา3ทางทางไหนบ้าง สิ่งที่มากระทบตางของจิตลิญญาณมันจ ะ, สะแสดงออกมาสาทางทางไหนบ้างทางนี้เรียกว่าประตูใช่ไหมมีคนเรามีกี่ประตูะประตูที่ชัดๆมีสมคือไตรทวาลใช่ไหมคือกายธวาลวจีทวาลมโนทวาลถ้าสิ่งไหนการกระทำอันไหนที่จะผ่านเข้ามาทางกาย เข้ามาทางวาจาเข้ามาทางความคิดได้รับการตรวจสอบว่าคําพูดที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปนี้ถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่ใครเป็นคนตรวจสอบการกระทําต่อไปนี้ที่ข้าพเจ้าจะทํานี้ใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดใครเป็นผู้ตรวจสอบความคิดต่อไปนี้ที่ข้าพเจ้าจะคิดใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดใครเป็นผู้ตรวจสอบเอาคนอื่นมาตรวจสอบได้ไหมไม่ได้ต้องเอาโยนิโสมนสิการของเราเองมาตรวจสอบ คือมาค่ควรพิจารณาหลายๆตลกอย่างน้อยตรวจสอบสามครั้งถ้าสามครั้งถ้ายังผิดอยู่แสดงว่าปัญญาเราไม่พอต้องไปไปทบทวนปัญญาทั้งสาใหม่นะไปเริ่มต้นจากการฟังใหม่จากการคิดใหม่จากการทําใหม่แต่ตรวจสอบทั้งสามครั้งแล้วคําพูดนี้เอาไปพูดถึงสามครั้งแล้วไม่ผิดเลยแสดงว่าถูกต้องปัญญาเราพอก็ไม่ต้องกลับไป3าอย่างนั้น นั้นหมายถึงว่ามันจะเกิดสุดจริตสเป็นวิชาที่หใช่ไหมวิชาที่หนึ่งอะไรกเดียนมิตวิชาที่สองศรัทธาประกอบด้วยปัญญ า, าวิชาที่สสติวิชาที่สี่วิชาที่สี่โยนิโสมนสิการวิชาที่หอีซีสังวรวิชาที่หสุจริตส สุจีสามหายความว่าหลังจากตรวจสอบก า, การพูดทําคิดอย่างนีกสามรอบสามรอบแล้วการทําไม่ผิดเรียกว่ากายาสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมแน่นอนเกิดวิจีสุสจริตสีต่ไม่พูดปดไม่พูดโสเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเชื่อแล้หลังจากตรวจสอบอะใช่ไหมเพรามันได้ตรวจสอบทั้งสมรอบเนี่ยแล้วก็มโนสุจริตสามเราจะเห็นว่า การที่เรามีกายสุจริตวิชีสุริมนุสีสามอย่างเนี่ยวิชาที่ห้าก็คืออิเสียงวอนใช่ไหมวิชาที่6กก็กายสิวิชาที่7ต่อไปเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็พร้อมที่จะเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วเป็นวิชาที่8ดหมายความว่าที่สติปัฏฐานสี่ทีพูดมาที่จะไปเจริญสติกรนวนี้นะแสดงว่าคุณผ่านวิชามาหกวิชาแล้วไปสู่วิชาที่เจดแล้ววันนี้จะไปวิชาที่เจ็ดแล้วนะไปที่ทุ่งครุไปเข้าลงครัวไปปรุงอาหารนะ เป็นวิชาที่เจคือเจริญสติปัฏฐานสเพราะฉะนั้นจูๆ่ๆจะไปเจริญสติปัฏฐานสีได้ผลนียอย่างน้อยจะผ่านมาอย่างน้ อ, องหวิชาเป็นวิชาที่วิชาที่เจ็ก็เป็นลงมือทําจะยกมือจะพูดโทรจะสะัมมาหลังยู่หนอของหนอก็แล้วแต่ลองไปทําดูอย่างที่ว่ามิจินะทาดูอันไหนมันจะเก็ตอันไหนมันจะได้ผลแล้วก็ลองไปทําดูเมื่อเราไปทดลองแล้วกายเจริญสติปัฏฐานสี่ดูกายเป็นดูใจเป็น ดูกายเป็นอยู่แก้ปัญหากายได้ดูใจเป็นแก้ปัญหาใจเป็นกายกับใจก็ไม่ทุกความทุกทางกายก็ลดลงความทุกทางจิตก็ลดลงไม่ใช่ลดลงตอนมาวัดเท่านั้นกลับไปบ้านก็ไม่มีลดทุกได้ด้วยถ้ากลับไปบ้านกลับไปทุกเหมือนเดิมนี่แสดงว่ายังไม่ลดเหมือนเดิมมันกลับมาที่วัดใหม่อย่างนี้มันยังไม่ใช่แสดงว่าคุณเรียนรัดต้องไปเริ่มต้นมาใหม่นะทีนี้พอมาเจริญสติปหาสี่รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิด ลูกกายเห็นจิตลูกคิดเห็นธรรมลูกกรรมเห็นปรมัตุลุริยสัจเห็นนิพพานได้ละครบสี่ประธานสก็จะเกิดโพชฌงเจตเป็นวิชาที่9ที่8หรือที่9ก้าเป็นวิชาที่เก้าใช่เป็นวิชาที่แปดวิชาที่เก้าก็จะไปพบกับอริมมติองแปดวิชาที่สิบก็จะเกิดวิมุติขึ้นสิบวิชา ทั้งสิวิชาที่จะครบถ้วนจนกระทั่งเราหลุดพ้นไม่ใช่หลุดพ้นจากกิเลสนะหลุดพ้นจากความม่วงก็ได้หลุดพ้นไปทีละนิดเลยหน่อยหลุดพ้นจากความขี้เกียจหลุดพ้นจากความปรุงแต่งหลุดพ้นจากความง่วงได้ไหมยังไม่ค่ยได้แม่สันห์หัวหลูกเลิกเลยอันนี้เขาเรียกว่ายังวิชาที่สิบยังไม่ถึงนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องหลุดพ้นไปทีละนิดเลนิดก่อนนะจู่ๆคุจะไปหลุดพ้นชั้นสูงเลยมันไม่ได้นะไม่ใช่ คุณขึ้นบันไดทีเดียวคุณจะขึ้นขั้นที่สิบไม่ได้เป็นไปไม่ได้คุณก็ทื้นทีละขั้นละขั้นไปและแต่กําลังของเราใช่ไหมเบื้องต้นนี้ให้พ้นจากหนึ่งพ้นจากการมฉันท่ให้ได้สองพ้นจากความหงุดหงิดงุนงานพ้นจากความขี้เกียจให้ได้สพ้นจากความงงเงาห้านอนให้ได้สี่พ้นจากความฟุ้งซ่านให้ได้ห้าพ้นจากความลังเลสงสัยให้ได้ในเบื้องต้นเนี่ยพ้นห้าตัวนี้ก่อนอ้าวพ้นไปได้ระดับขั้นแล้วนะเอาต่อไปพ้น เป็นไงความเห็นแก่ตัวยังมีอยู่ไหมความสงสัยต่างๆยังมีอยู่ไหมความอวดดื้อถือดีของเรายังมีอยู่ไหมข้ามได้เลยอย่างพ้นไปทีอะไรอย่างไรอย่างเนี้ยถึงสิบขั้นเหมือนกันดังนั้นในวิชาสิบเราทุกทวนใหม่อันนี้อันนี้จะว่าเป็นเป็นหลักวิชาก็ ก็ต้องยอมนะเพราะว่าเราจะต้องมีใบบรรทัดนะเรจะว่าไปตามมั่วๆไปตามว่าเออการเคลื่อนไหวดีอย่างงู้นอย่างนี้โดยที่ไม่มีใบบรรทัดมาวัดนะมันก็การเคลื่อนไหวมั่วเหมือนกันใช่ไหมมันใช้ไม่ได้ดังั้นการสร้างจังหวะเดินจกลุ่มก็ต้องมีไม้บรรทัดที่ผู้เจ้่วางเอาไว้มาวัดดูว่าเออเราเคลื่อนไหวของเรานี่มันถูกต้องจริงไหมเคลื่อนไหวเนี่ยก็สํารวจตรวจสอบไปเรื่อยๆเราอะไรมาวัดก็เอาหนึ่งสิ่งที่ได้พบขั้นวิชาที่หนึ่งมีกเรียนมิตรคุบาอาจารย์มาพูดให้ฟังสอง เราเกิดศรัทธาไหมปัญญาเราเกิดไหมสามเราได้สติได้คิดได้อะไรใหม่ๆขึ้นมาไหมหลังจากฟังแล้วได้ข้อคิดอะไรใหม่ขึ้นมาไหมได้ความเข้าใจอะไรใหม่ขึ้นมาไหมสเกิดการไข่ควรพิจารณาในการพูดการทําการคิดของตัวเอง5เกิดการระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนจะลุกจะย่างจะตั้งจะเดินก็พุ่ง้ไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีการลําดับซะก่อน ก็จะลุกไปจะนั่งแต่หลวงพ่อพาทําเนาะแต่เราไปทําก็เหมือนเดิมใช่ไหมทวดลุกทรวดนั่งเหมือนเดิมไม่ได้อันนี้ต้องเกิดจากศรัทธาของตัวเองนะจะให้คนอื่นมาเขับให้ทํามันไม่ได้นะต้องเกิดศรัทธาที่จะทําด้วยตนเองนะเขาเรียกว่าถึงจะได้คิดโอ้เมื่อก่อนนี่เราทวดทวดนั่งไม่ไหวเนาะทําให้เสียจังหวะเกิดพิษเกิดแพงแล้วจะทําอะไรพลาดอนนี้หน่อยหน่อยร่างกายนั่นก็บอบบางใช่ไหมพลาดอันี้นี่ก็เจ็บปวดละ พอิ้นเะเดี๋ยวข้อแปลงเดี๋ยวมือโอ้ร่างกายของเรนช่ง า, างบอกบางเหลือเกินหลังจากที่ได้ได้คิดนะร่างกายของเราก็เ ก, กิดการระมัดระวังร่างกายขึ้นจะเข้าห้องน้ําห้องท่าจะไปไหนจะก้าวอย่างไรมันเกิดการระวังรักษาร่างกายเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยหลังจากเราได้คิดโอ้เมื่อก่อนนี้เราใช้ชีวิตอย่างประมาท อยากทําแล้วก็ไปทันทีเลยได้เจ็บได้ปวดได้ไข้ได้น้ําได้ไม่สบายมาเราก็มาเสียเวลารักษาเสียเงินเสียทองเสียการใช้งานมากมายแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่เราได้คิดแบบนี้เราเริ่มรักษ า, ร, า, การ่างกายดีดูแลร่างกายดีกินอาหารที่ปล่อยสารพิษออกกําลังกายทุกวันนั่งกรรมฐ า, านทุกคืนใช่ไหมทีมข่าหรือว่าไม่ทาเฉพาะบางวัน อ่าเนี่ยมิ้นได้คิดแล้มีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงออกกําลังกายทุกวันนั่งกายอย่าให้มันได้เจ็บป่วยของง่ายๆอ่าของร่างกายของง่ายๆของเห็นๆเนี่ยยังปวดให้ร่างกายรักษาร่างกายตัวเองไว้ได้แล้วใจมันละเอียดที่จะรักษาได้ยังไงใช่ไหมเราได้คิดนึกถึงความเป็นจริงเราก็เริ่มเอาจริงเอาจังต่อการดูแลร่างกายเนี่ยแค่แค่เรียนวิชาแค่นี้เราก็จะเกิดนั่งนานๆไปเมื่อก่อนฮู้นั่งเล่นนั่งเตือนทั้งวันนี้ปวดเมื่อยไม่รู้ตัว ขาแขนเป็นเน็บเป็นชาลุกไม่ขึ้นคขาดึงขาสินค้ า, าเมื่อยขายฉานแต่เดี๋ยวนี้พอรู้สึกตัวนิดหนึ่งก็เป็นไงขยับแล้วใช่ไหมบำบัดเอาทุกขเวทนาออกไปอันนี้แสดงว่ารักตัวเองเป็นไรใช่ไหมเมื่อก่อน น, นนั่งแช่เงี้ยเล่นไพ่ทั้งวันใช่ไหมไม่ยอมขยับเลย <c oughs> นั่งดูทีวีทั้งวันลุกขึ้นหลีทีเนะี่ยโอ้โหลุกไม่ไหวเน็บกินนั่นแสดงได้เห็นตัวเองไหมไม่ได้เห็นเลยนะปล่อยให้ตัวเองต้องทุกข์ทรมานแช่ยอยู่ความพอใจไม่พอใจอ่าเรปล่อยให้ตัวเองต้องทําอะไร าตามตัวเองอันนั้นเขาเรียกวไม่ไม่ไ ม, <c oughs> ไม่ได้คิดไม่ได้เห็นตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้เราได้เรียนวิช า, านี้มาก็เริ่มนะเริ่มที่จะตั้งใจทําละพอมานั่งทําเราก็เริ่ ม, มระมัดระวังทำในการทําให้ถูกต้องไปจังหวะดังนั้นในวิธีการง้อเทียนนี้ก็จะต้องลําดับให้เห็นอย่างนี้เป็นอารมณ์ทางด้านวิชาสิประการทบทวนอีกทีได้ไหมที่กล่าวมาเมื่อกี่10ประการ วิชาที่หนึ่งกราเยนมิดอเอาให้แน่นะที่หที่7หายตบไม่ได้นะวิชาที่สศรัทธาวิชาที่สสติสมัญวิชาที่สโยนิโสมนสิการวิชาที่5อีศีสังวรวิชาที่หกายสุจริตสวิชาที่7 สติปราน4วิชาที่8ดโพชฌงเจวิชาที่9อริมักมีองค์8วิชาที่10วิมุตตหอุดพ้นหลุดพน้ดพนในที่นี้ไม่ใช่ absolutely นะแต่หมายความว่าสเต็บไปสเต็ไปทีละขั้นละขั้นลุดพ้นในสิ่งเล็กๆน้นอยๆเ่ีก่อนอะไรที่เราติดเรายึดอะไรพอเลิกได้ละได้ใช่ไหมเขาเย็นพอจะพ้นได้ไหม บุหรี่พอจะพ้นได้ไหมกาแฟที่เผอก็เข้าโต๊ะกาแฟเนี่ยพอจะพ้นมันได้ไหมน ะ, ะเผลอแล้วไปเล่นเฟสเล่นวายผิดเวลาผิดกาลเทศะเนี่ยพอจะพ้นได้ไหมอะไรก็ต้องพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก่อนเล็กๆน้อยนนะแล้วของที่ชอบขนมกรุบกรอบของที่เกินจําเป็นของหวานของที่เป็นสแสลงต่อโลกของไปตัวเองนะเริ่มจะพ้นมันได้ไหมใช่ไหมต้องเริ่มพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก่อนถ้าเราหวังดีตัวเองถ้าเรารักตัวเองนะ จะทําได้แต่บางคนเก่งพ้นตั้งหลายวิชาเลยพ้นไปได้หลายอย่างโอ้บุหรี่ก็เลิกได้กาแฟก็เลิกได้ดิบางคนพ้นได้แต่คน อ, อน่อนแนก็พ้นได้ทีละอย่างได้ครึ่งอย่างไปแต่คนที่เข้มแข็งพ้นได้สามสี่อย่างเลยนะต่อไปก็พ้นจากความผิดแก่ตัวพ้นจากการเบียดเบียนการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์พ้นจากนั่นจากนี้ไปเรื่อยๆพ้นจากข้อผิดพลาดที่จะทําให้เหตุเกิดทุกข์เนี่ย พ้นที่พ้นจากพ้นจากสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์เราจะเรียกว่าพ้นจากกิเลสมันก็เป็นคำโตไปเนาะพ้นจากสมุทัยคือเหตุที่จะทําให้เกิดทุกข์เนี่ยความรีบร้อนเนี่ยพ้นได้ไหมความอยากความหิวความอยากที่พ้นไม่ได้ความหิวนี่พ้นไม่ได้ต้องกินเวลามันหิวแต่ความอยากมันไม่หิวก็ม ไ, มววมไม่ต้องกินอย่างเงี้ยก็พ้นได้ตอนนั้นถ้าลักษณะอย่างนี้เรามีหวังนะใช่ไหมเรามีหวังเอาล่ะ วิชาสิบประการจบใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างถ้าไม่มีข้อสงสัยจะได้พาปฏิบัติต่ตอไปยาวเลยนะวันนีนะ้จากช่วงนี้ก็นอนสีเ่เอโมงเพราะนั้นต้องเคลียร์ข้อสงสัยก่อนว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดวิชาสิบประการใครมีข้อสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนบ้างพอเวลาพาทำจะได้ก็เชิญเอามีไม้ให้น้องเขาหน่อยอจะถามหรือ ว, ว่าจะบรรยายถามสั้น <laughs> ถามว่าถ้าคุณจะดับไฟเนี่ยคุณไปดับตอนไหน <Okay. S 1> ถ้าคุณจะดับไฟเนี่ยดับตอนไหนดับตอนที่ไฟมันเกิดขึ้นนะถ้าไฟดับไปแล้วจะไปดับมันอีกไหมอ๋อไม่มไม่ใช่ความกดคุณดับไปเรื่องนานคุณจะไปคิดดับมันทำไมอีกอ่ะอ๋อแต่แค่เฉยอ๋อแค่ยนัเป็นความคิด เป็นความคิดมันหลอกเราเขาคิดความโกรธต้องดับขณะที่มันโกรธจะไปดับที่มันโกรธแล้วเนี่ยก็ไฟมันดับไปแล้วจะไปดับอะไรมันอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราค่อนข้างจะพลาดกันนะเป็นคําถามที่ดีมากเราจะดับความโลภต่อเมื่อความโลภกําลังเกิดต้องดับตอนนั้นเราจะดับความโกรธต้องดับขณะที่มันเกิดเราจะดับความหลงต้องดับขณะนั้นแต่โรคกวดหลงมันดับไปแล้วคนเราส่วนใหญ่ไปตามดับทีหลัง เมื่อเมื่อปีกายนี่มึงพ่อพูดถึงปีกายนึงพ่อยัง ต, ติดติดอารมณ์อยู่เลยเรากำลังจัดอารมที่บนวัดนะเป็นเดือนเมษาใช่ไหมก็รู้ว่าทางเหนือเนี่ยเดือนเมษายเป็นไงมันกรอบมันแห้งมันร้อนมากใช่ไหมเราก็โอ้โหทานเข้ายังไม่ทนันอีกมีไฟเข้าด้านหลังวัดบึ้มบึ้มบึ้ ม, ม, มพวกอีกพวกหนึ่งเข้าก็ไปดับไฟกันไปดับไฟพอดับไฟใกล้จะหมดแล้วอีกพวกหนึ่งก็เลยไปโทรหาอะไร ร ด, ดับเพิงกคนรถดับเพิงจะมาไฟไปไงดับเรียบร้อยแล้วรถ ด, ดับเพิงมันก็ดบัดบดับที่เท่ากันน ะ, ะมันก็ไปรายงานผมดับเรียบร้อยครับท่านที่ไหนได้ไฟมันดับไปแล้วมันก็ไปรายงานเาผลงานเฉยเลยความจริงก็คือนั่งปฏิบัติของเราเนี่ยไปดับให้เพราะฉะนั้นมันบางทีกิเลสเนี่ยมันเล่นตลกกับเราใช่มันหลอกจิตของเราให้ให้ไปให้สร้างความคิดขึ้นมาใหม่ เพราะฉะนั้นความคิดซ้อนความคิดอย่างนี้กิเลสเราถนัดมากเลยดังนั้นในวิธีการเจริญสติเพื่อที่จะให้สติมาทันในขณะที่เหตุมันเกิดถ้าหากว่าเหตุมันเกิดแล้วสติมาไม่ทันก็ถือว่ากรรมฐ า, านไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตอบสนองแล้ขณะนั้นแล้วมันจะมาพิจารณาใครคนเพราะฉะนั้นสมถะที่ไม่ตอบสนองต่อการดับกิเลสก็เพราะว่ามันมาทีหลังมันช้าพู้ปฏิบัติสมถะเนี่ย ไปอาศัยความคิดดับความคิดมันดับไม่ได้เหมือนกับเติมเชื้อเข้าสู่ไฟเพราะฉะนั้นวิปัสนาอาศัยน้ําไปดับไฟไม่ใช่เอาขยะไปดับไฟเอาน้ําไปดับไฟถ้าเอาขยะไปดับไฟมันไฟมันจะดับไหมมันไม่ดับมันยิ่งติดขึ้นอีกสมถรคกรรมฐานเหมือนกับเอาขยะไปกล ub ไฟเพื่อให้มันดับไฟมันก็ไม่ดับหรอกมันก็จะควรอีอย่างนั้นแต่ถ้าวิปัสนานี i ดับเลยแต่เนื่องจากในขณะนั้นน้ํามันไม่พอ ใช่ไหมขอหาดับเพลิงกวนน้ำมันจะมาไม่ทันนะ ว, วิปัสนาที่มาทีหลังก็ไม่เกิดประโยชน์แต่วิปัสนาต้องมาทันทีเหมือนกับว่าเรามีกล่องดับเพลิงไว้ในบ้านได้ใช่ไหมพอไฟป้าวก็ชักออกมาก็ฉีดได้ทันทีฉะนั้นเองตัววิปัสนาเหมือนกับหม้อดับเพลิงเขาเรียกอะไรหม้อดับเพลิงในบ้านนตึกเขาเรียกอะไรฮะถังดับเพลิงใช่ไหม ฐานดับเพลิงเพราะฉะนั้นการที่เรามีวิพากษ์าณเหมือนแล้วก็มีถังดับเพลิงอยู่ในบ้านของเราเวลาเกิดไฟขึ้นป๊อปเราก็ช้าออกมาได้ทันทีแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีฐานดับเพลิงก็ลําบากเหมือนกันดังนั้นปัญหาเกิดแล้วมันก็ดับแต่ขณะที่มันดับมันช้าดับช้าเพราะอะไรเพราะมันมีเชื้อเยอะถ้ามันมีเชื้อน้อยแล้วก็ดับทันมันก็ดับไวเพราะความจริงนั้นปัญหา ที่มันเกิดมันก็ดับมีการเกิดแล้วก็ดับแต่เกิดแล้วดับช้าเพราะมันมีเชือ้อเชือ้อเรียกว่ากิเลสนะเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นการดับไฟเนี่ยมันจะต้องมีประจําชีวิตนะตัวรู้คือเหมือนกับไฟใช่ไหมเกิดขึ้นให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วถ้าทำงานแต่อะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจใจแล้วมันเหมือนกระทบไฟมันก็รู้แล้วก็ดับแต่รู้แล้วมันไม่ดับแสดงว่ามันมีเชือเช้อเชื้อคืออะไร คือตัวหลงผิดเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นเป็นจริงใช่ไหมไปเห็นดอกไม้การเห็นดอกไม้เห็นแล้วก็ดับไปแล้วใช่ไหมแต่คิดว่าเออดอกไม้นี้สวยจังอันนี้ดับไหมเพราะอะไรเพราะความชอบเป็นเชื้อแล้วใช่ไหมเพราะความพอใจจริงพ อ, พอใจไม่พอใจจึงเป็นเชื้อให้ไฟได้ไหมเพราะนั้นสติปัฏฐานสูตรท่านถึงให้ตัดความพอใจไม่พอใจออกเพื่อไม่ให้มีเชือ้อ เพราะมันจิตของเราเกิดแล้ ก, ก็ดับเกิดแล้วก็ดับเห็นแล้ว ก, ก, ก, ก็จบฟังแล้วก็จบแต่ฟังแล้วเกิดชอบไม่ชอบมันมีเชื้ออยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเจอเจริญสติปัฏฐานท่านจึงให้ไปตัดความพอใจและไม่พอใจเรียกว่าอภิชาตทมนัสเลยกายเยกายานุปัสสีวิหะติทิอาตาปีสัมปัโนเสปิดาอภิชาตุมนัสังว่าเราจเจริญสติให้มีสติสัญญารู้ในกายเวทนาจิตธรรมแล้วจะจัดการเอากิเลส เชื้อเกล็ดสองประการออกได้คือความพอใจและความไม่พอใจเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามต้องทําให้รู้ตัวว่าทําก็คือทําำแต่อย่าทําด้วยความชอบหรือไม่ชอบง่ายไหมโหยากมากเลยใช่ไหมถ้าฉันไม่ชอบฉันจะทำทำไมอ่ะใช่ไหมอันนี้ความความมูลเซนของคนทุกคนใช่ไหมเออฉันฉันไม่ชอบจะทําไปทําไมอ่ะฉันชอบที่ฉันทําถ้าทําด้วยความชอบไม่ชอบเราต้องสังสมอะไร เชื้อของปัญหาตหลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณก็ทําหน้าที่กันงานก็ทําไปทําให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่าเออชั่วโมงค่าชั่วโมงแพงฉันรีชอบทําใช่ไหมเออนี่ว่างานดีมากแต่ค่าชั่วโมงถูกเลยฉันเลยไม่อยากทําเงี้ยอันนี้เราเอ า, เอ า, เ, อาเอาตัวล่อที่ให้เกิดพอใจไม่พอใจมาเป็นตัวทุกมันก็เกิดล่าไปเพราะฉะนั้นอย่าเอาความคิดไปดับความคิดแต่เอาความรู้สึกตัวเนะี่ยไปดับความคิด ดับในขนาดนั้นเลยนะเพราะนั้นถ้าคุณยังดับวิธีมันดับก็ตั้งนานแล้วคุณไปตามดับคุณก็ก่อเชื้อตัวใหม่เดี๋ยวก็ไม่ใหม่อีกเข้าใจนะโอเคถ้าไม่มีเอาสัมภาระทุกอย่างวางไว้บนอาสนะตอนนี้เราจะลุกขึ้นเดินจงกรมร่วมกัน